เพราะว่าการตั้งจัตจตในการอดอาหารบางทีสุขภาพของเราไม่ดีบางทีปวดท้องบางอะไรบางามันมีพอเราจะรับประกันได้ยังไงเพราะเรามีธาตุขันใช่ไหมถ้าหาว่ามันไม่พร้อมเราก็ถอยออกอถ้าภาวนาดีเราก็ต่อไปอีกก็ได้ เ, เรากละไว้เจ็วันเอา10วันฮะเราเอด อ, อ, อ, อาหารบางทีสมวัน เราจะอดเพียงสามวันแต่ภาวนาดีหูเอาอีกต่ออีก5าวันอย่างนี้แหละแต่ว่าภาวนาวันแรกโอ้ไม่ได้ปวดท้องรู้สึกว่าใจของเราปั่นป่วนแล้วเกินสู้ไม่ได้วะถ้าเขินถ้าขนอดทนไปเนี่ยเป็นบ้าแน่นี่พอดูดูเจ้าของมันใจมันฟุง้มฟ ง, งมันฝะุ้งก็มีนะมันเอาไม่อยู่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 ทำไมมันฟุ้งมันเอามาอยู่วานะจากนั้นเราก็ลั่งคิดทบทวนนะอพอขราวหน้าตั้งท่าใหม่อีกตั้งข้าหมาอี ก, อตาาอกแต่นี้เอาจุดที่มันจะออกมาน่อยเอามันกอดเลยงั้นเอปิดมันก่อนเลยนี่แหละโอ้เราชนะเออขาวเนี่ยเออเราชนะได้ไหมก็ภาคภูมิใจในระดับหนึ่งที่เอาชนะ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 เพราะจิตใจผ่านความสกบถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดมันจะมองไม่เห็นอะไรมันเหมือนกระจุ่ในควันไฟอยู่ในกลุ่มควันไฟมันตลบอยู่มันมองไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้ทุกกิเลสตัวไหนโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะตัวไหนมันตีมาลุ่มมาตุมมลุ่มมาตุ่มมาลุ่มมาตุ่มเราอยู่เราจะมองไม่เห็น แต่ถ้าว่าเราทำกิตใจให้สงบใช้สมรถกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธพุทพุทธหรือนับอย่างที่หลวงพ่อว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองแต่จะไปทาฟูดฟาดฟูดฟานให้หายใจปกตินะแต่ให้นับให้มีสติตัวเองตั้งตั้งท่าให้เข้มแข็งนับไปถึงร้อย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 ศรัทธาญาติโยมรับพรประสงค์อนุนโมทนาให้พร